สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่28สสุภาษิตบทที่28ข้อที่7จนถึงข้อที่12ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุตรที่เฝ้ารักษาธรรมบัญญัติเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนของคนตะกรําทำให้บิดาของตนขายหน้า คนที่ทวีทรัพย์สมบัติของตนด้วยดอกเบีย้ยและการขูดรีดก็ได้รวบรวมทรัพย์นั้นไว้ให้ผู้ที่เมตตาคนจนถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนคนที่นำคนเที่ยงธรรมหลงเข้าไปในทางชั่วก็จะตกลงในหลุมของเขาเองแต่คนดีพร้อมจะได้รับสิ่งดีเป็นมรดก คนมั่งคั่งก็มีปัญญาในสายตาของตนเองแต่คนยากจนผู้มีความรู้ความเข้าใจจะรู้จักเขาแจ่มแจ้งเมื่อคนชอบทำธนะความรุ่งเรืองก็มีมากขึ้นแต่เมื่อคนอธรรมเรื่องอำนาจคนก็ซ่อนตัวเสียพี่น้องครับหากเรามีลูกชายที่เชื่อฟัง และแถมยังเชื่อฟังพร ะ, ระบัญญัติของพระเจ้าด้วยพระกัมภีบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดแท้หมายถึงเป็นคนที่ฉลาดและมีวิจารณญาณคำว่ามีวิจารณญาณ น, นั้นภาษาฮิบรูใช้คำว่าฉลาดก็คือมีความเข้าใจครับปัญญาของโลกนี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันตรงกันข้ามกับปัญญาของโลกเพราะฉะนั้นความฉเฉลียวฉลาดฝ่าย พระเจ้าหรือฝ่ายธรรมบัญญัติที่รักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็แสดงถึงความฉลาดจริงๆครับฉลาดแท้และนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีให้กับบิบดามารดาของเขาแต่บุตรชายที่แสดงออกในทางตรงกันข้ามคือบุตรชายที่ไม่นับถือนะครับกฎหมายของพระเจ้าโดยการเข้าร่วมกับคนที่ชั่วร้ายคนที่ปาดเถื่อนคนเสเพลคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจ ก็จะนำความอับอายมาสู่บ้านเรือนมาสู่บิดาของเขาพี่นะครับนี่คือสิ่งที่จริงแท้ครับหากว่าเรามีลูกชายหรือเรามีลูกที่คอยเชื่อฟังพระเจ้าและคอยเชื่อฟังบิดามารดานั่นแหละครับเราจะมีลูกที่เข้าใจชีวิตเราจะมีลูกที่ประสบความสำเร็จเราจะมีลูกที่นำความชื่นชมนำความสำเร็จมาถึงบิดาของตน ต่อไปในข้อที่แปดครับก็พูดถึงคนที่รวยทางลัดนะครับหรือว่าร่ำรวยผิดปกติก็คือคนที่คิดดอกเบีย้ยจากคนอื่นสูงเกินไปจนทำให้ร่ำรวยในที่สุดพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าเขาจะสูญเสียทรัพย์ของตนซึ่งจะถูกแจกจ่ายแก่คนยากจนทรัพย์ของตนที่ได้มาจากดอกเบีย้ยหรือความร่ำรวยที่ไม่ถูกต้องก็จะหายไปครับ จะถูกแจกจ่ายแก่คนยากจนท้ายที่สุดความอยุติธรรมก็ย่อมมีชัยชนะเหนือความอยุติธรรมครับพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่าใครก็ตามที่เพิ่มทรัพย์สินของตัวเองอย่างไม่สัดซื่อบ่อยครั้งแล้วมันก็จะสูญเสียไปในที่สุดครับดังนั้นเราอย่าสแสวงหาความร่ำรวยทางโลกซึ่งเป็นของชั่วคราวเท่านั้น แต่ให้สั่มสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์ที่ไม่มีแมลงหรือไม่มีศัตรูที่จะลักขโมยไม่มีแมลงที่จะทําลายไปได้เรามาถึงข้อยีข้อ9ครับซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากครับข้อเก้าพระพุทธีกล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติแม้คําอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งหน้าเกลียดหน้าชังพี่น้องครับถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติ แม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังเมื่อใครก็ตามที่ปฏิเสธเอาใจใส่เรื่องพระเจ้าปฏิเสธที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าที่ตรัสไว้ในพระจชนะของพระองค์แล้วแล้วก็พระองค์ก็ไม่ฟังสิ่งที่พวกเขากล่าวต่อพระองค์วิงวอนต่อพระองค์ขอต่อพระองค์ในการอธิษฐานคาอธิษฐานแบบนี้ครับเป็นคำอธิษฐานของคนน่าซื่อใจคด แสดงถึงหน้าอย่างใจอย่างปากอย่างนะครับขาพเจก็ปฏิเสธที่จะเชื่อฝังพระบัญญัติของพระเจ้าฮะส่งผลถึงความหายนะเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังสําหรับพระเจ้าและไม่ได้รับคําตอบหากคนเราไม่เชื่อฝังพระเจ้าแล้วแล้วก็พระเจ้าก็จะไม่ทรงฟังเขาไม่ตอบคำอธิษฐานของเขา ดังนั้นจะไม่มีการสื่อสารคำสื่อสารคาอธิษฐานของเขาก็ไร้ผลและพระเจ้าไม่ตอบ Communication Breakdown ครับในข้อที่10เพร่อนพีกล่าวว่าบุคคลผู้นำคนเที่ยงทาเข้าไปในทางชั่วก็จะตกลงในหลุมของเขาเองแต่คนที่ปราศจากตาหนิจะมีมรดกอย่างดีพี่น้องครับการทําให้คนชอบทาทาบาป จะทำให้เขาติดบ่วงอุบายของเขาเองคนที่มีความมุ่งร้ายและให้คนชอบทำทำบาปเขาก็จะหนีบ่วงนี้ไม่พ้นในทางกลับกันครับคนที่ปัสจากธําหนิเขาจะเจริญขึ้นใครก็ตามที่ล่อให้คนอื่นหลงตัวเองจะหลงไปด้วยคนธรรมที่นำคนอื่นให้หลงไปในทันใดนั้นจะติดกับและตายแต่คนชอบทำก็จะมีชีวิตอยู่ และได้รับมรดกจากพ่อแม่ของเขานี่คือสิ่งที่พระกัมพียืนยันครับดังนั้นเองเราเห็นได้ว่าบุคคลหรือใครก็ตามครับที่จงใจนำคนอื่นที่เที่ยงทำให้หลงทางไปไปสู่ปัญหาไปสู่ความผิดพลาดไปสู่อันตรายในที่สุดบุคคลที่จงใจนำคนอื่นนั้นก็จะประสบสิ่งเหล่านี้เหมือนกันพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงแก้ แค้นแทนคนไร้ความผิดพระี่สอนว่าถ้าใครก็ตามที่ทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไปนะครับก็เป็นข้อหาใหญ่ครับเขาจะต้องเอาเชือกผูกคอนะครับแล้วก็ผูกกับหินโม่ก้อนใหญ่โดดไปน้ำครับทวงน้ำไปเลยนี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนไว้ครับเพราะพระเยซูนั้นให้สำคัญ กับผู้เล็กน้อยมากที่สุดครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกใช้ได้กับพวกครูที่สอนผิดๆนะครับลัทธิเทียมเทศต่างๆที่นำคนอื่นๆไปในทางที่ผิดหลักคำสอนจงระวังให้ดีพี่น้องครับจะมีภัยพิบัติหายนะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อไปครับในข้อที่11 คนมั่งคั่งก็ฉลาดในสายตาของเขาเองแต่คนยากจนผู้มีความเข้าใจจะรู้จักเขาอย่างแจ่มแจ้งพี่น้องครับถ้าเราดูในโลกนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าคนรวยมักจะฉลาดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาหาเงินเก่งอย่างไรก็ตามครับคนฉลาดอาจจะเป็นคนยากจนได้และคนฉลาดที่ยากจนก็จะสามารถเห็นบางสิ่งบางอย่างได้ก็คือสัจธรรมครับสามารถเห็นได้ว่า ความมั่งคั่งไม่ใช่เป็น ส, สิ่งสูงสุดครับหรือการสะสมเงินทองได้มากมายนะครับก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่จะทำให้คนเรามั่งคั่งได้ความมั่งคั่งนั้นให้ความรู้สึกเท็จนะครับต่อความมั่นคงและความอิสระจากพระเจ้าพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับความมั่งคั่งนั้นให้ความรู้สึกเท็จแห่งความมั่นคงและความเป็นอิสระจากพระเจ้าเพราะนั้น พิมพ่มีกำลังเปรียบเทียบครับว่าคนมั่งคั่งหรือคนร่ํารวยนั้นจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นก็ยากเหมือนอูดลอดลูเข็มนะครับความจะเป็นอิสระจากพระเจ้านะครับความรู้สึกมั่นคงที่เป็นเท็จนะที่ไม่จริงนะครับความมั่งคั่งมันให้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันกําลังหลอกเราครับอย่างไรก็ตามครับคนฉลาดที่มั่งคั่งหรือคนฉลาดที่ยากจน สามารถเห็นได้ว่าปัญญาของเขาไม่ใช่เหตุผลสูงสุดเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติต่างๆที่เขาสะสมไว้เขาจะรู้ว่าความมั่งคั่งนั้นมาจากพระเจ้าความมั่นมั่งคั่งนั้นเป็นพระพรจากพระเจ้าครับพี่น้องครับเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีนะครับเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับ เขาอาจจะแสวงหาความมั่งคั่งในระดับหนึ่งเท่านั้นถึงเวลาแล้วเขาจะรู้จักพอครับเมื่อเขารู้จักพอเขาจะรู้จักวางใจพระเจ้าเมื่อเขารู้จักวางใจพระเจ้าเขาก็จะรู้จักช่วยเหลือคนอื่นในการที่จะให้การดูแลคนอื่นในการที่จะช่วยเหลืออุปการะคนอื่นในการที่จะเอาเงินของเขาเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปนี่แหละครับคือคนมั่งคั่งที่เฉลียวฉลาดคนมั่งคั่งที่ยากจนก็ ไม่มีเงินก็ออกแรงออกสติปัญญาออกกําลังออกความรู้ความสามารถของตัวเองในการรับใช้พระเจ้าครับนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ให้ให้คำชมเชยให้คํายกย่องต่อบุคคลเหล่านี้ที่มีสติปัญญามีความฉเฉลียวฉลาดและเป็นคนชอบธรรมต่อไปก็จะพูดถึงในข้อที่12ครับเมื่อคนชอบธรรมมีชัยความรุ่งเรืองก็มีมากขึ้นแต่เมื่อคนชั่วร้ายะวียอำนาจ คนก็พากันซ่อนตัวเสียพี่น้องครับนี่คือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเมื่อบ้านเมืองใดก็ตามนะครับมีคนชอบทําขึ้นปกครองแผ่นดินนะครับก็จะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองจะนํามาซึ่งความสุขนะครับไพ่ฟ้าหน้าใสครับพี่น้องครับจะเห็นชัดเจนครับแต่เมื่อผู้นําเป็นคนชั่วร้ายเมื่อยามใดก็ตามที่แผ่นดินมีคนชั่วร้ายครอบครอง คนดีก็พากันซ่อนตัวเสียถามว่าคนดีทําไมพากันซ่อนตัวเสียครับเพราะว่ากลัวครับหลีกนี้จากการข่มเหงนะครับซึ่งทําให้ในที่สุดนั้นเขาจะต้องเสียใจพี่น้องครับผู้นําที่เป็นคนชั่วร้ายนะครับขอพระเจ้าช่วยเขาให้เขากลับใจใหม่ด้วยการอธิษฐานเผื่อของพวกเราพระคัมภีร์สอนว่าให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำนะครับผู้ครอบครองแผ่นดินผู้ที่มีอํานาจในแผ่นดินในการปกครองบ้านเมือง ขอให้เขาจะเป็นคนธรรมครับเมื่อย า, ยามใดก็ตามที่คนอธรรมครอบครองบ้านบ้านเมืองประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันครับเมื่อใครก็ตามที่เป็นผู้นำองค์กรต่างๆสนบันต่างๆแล้วเขาเป็นผู้ชอบธรรมนะครับบรรดาผู้ทำงานผู้ร่วมงานในองค์กรก็อยู่เย็นเป็นสุขบรรดาผู้ที่จะเข้ามารับบริการก็อยู่เย็นเป็นสุขอาเมน